ที่ยังไม่ได้ปิดโทรสทมมือถือก็ช่วยปิดซะหน่อยนะเพราะว่าสัญญาณมันงบกวนกับสัญญาณที่นีคนทางบ้านเขาส่งข้อความมาฟังแล้วมันไม่ได้ยินขอให้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันเวลามาฟังธรรมบนเขาให้ช่วยปิดสัญญาณมือถือด้วย เพรไม่งั้นมันตีกันสัญญาณมือถือนี่มันก็เปเหมือนจิตเรามองไม่เห็นกันแต่เราปฏิเสธไม่ไ ด, ไได้ว่ามันไม่มีใช่ไหมเวลาเราเปิดเครื่องแล้วเราโทรออกโทรเข้านี่ทำไมเราได้ยินเสียงของคนที่เขาอยู่ที่เรามองไม่เห็นเสียงมองไม่เห็น สัญญาณที่เราก็มองไม่เห็นตัวเราตัวจิต ต, ตัวเราเรามองไม่เห็นเราก็เห็นตัวที่ไม่ใช่เป็นตัวเราก็คือร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราเพราะว่าเราไม่ได้เปิดตาในเรามีตาในแต่เราปิดมันทุกมันปิดด้วยความหลง มันก็เลยไม่เห็นตัวใจตัวรู้ตัวคิดนี่มองไม่เห็นแล้วก็เลยไปคิดว่ามันเป็นร่างกายมันมาจากร่างกายถ้ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเราหลายอย่างเป็นสัญญาณวิทยุสัญญาณโทรทัศน์ อันนี้รอบตัวเรามีสัญญาณเยอะแยไปหมดเราเอาเครื่องมาเปิดดูเลยว่าช่องเจ็บช่องสีอะไรก็มีสัญญาณของดีแทของ AIS อะไรมีเต็มไปหมดเทวดงเทวดาก็มีรอบตัวเราอยู่ตายทุตชนิดต่างๆที่เรามองไม่เห็นกัน มีทั้งเฟรตมีทั้งผีมีทั้งเทพยึงไม่ควรที่จะไปปฏิเสธสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันเออตายแล้วไปเกิดใหม่เราไม่เห็นเราคิดว่าเราเป็นร่างกายเมื่อร่างกายตายไปแล้วใครจะไปเกิด ร่างกายเขาก็พาไปทิ้งไว้ในปาชาไปฝังหรือว่าไปเผาฝังก็กลายเป็นดินไปเผาก็กลายเป็นที่เท่าไปแล้วใครไปรับผลบุญผลบาใครไปสวรรค์ใครไปนรกผู้ที่ไปนีเรามองไม่เห็นกันเราเรานี่แหละเป็นผู้ไปแต่เราไม่รู้ ว่าตัวเราอยู่ตรงไหนพอเราเห็นตัวเราที่ร่างกายเราใช้ร่างกายทำอะไรต่างๆเราก็เลยคิดว่าเราเป็นร่างกายเหมือนกับคนขับรถเนี่ยใช้รถพาไปไหนมาไหนก็เลยไปคิดว่าตัวเองเป็นรถไปเองแต่ว่าคนขับรถรู้ว่าไม่ได้เป็นรถเขาก็มองเห็นตัวเขา เขามองเห็นตัวรถว่ามันไม่เหมือนกันแต่ตัวเรานี่มองไม่เห็นตัวเราเราก็เลยไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราใช้ร่างกายทำอะไรต่างๆใครเป็นคนใช้ใครเป็นคนสั่งคนคิดใช่ไหมวันนี้จะมาที่นี่ได้ต้องคิดก่อนแล้วก็ ทล้วเวลามานี่ก็ต้องสั่งให้มันเลยให้มันขึ้นรถให้มันมาคนรู้คนคิดนี่เป็นคนสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆแต่ไม่ได้เป็นร่างกายพอร่างกายตายไปคนรู้คนคิดนี่ก็ไปรับผลบุญผลบา ความทีมผลบุญผลบาปนี้มันรับตั้งแต่ร่างกายนี้นยังไม่ตายเน่ตอนนี้ก็รับผลบุญนะเวลาทำบุญแนะล้วรู้สึกอย่างไรสบายใจไหมมีความสุขไหมนั่นแหละความสบายใจความสุขก็เรียกว่าบุญนุสวรรค์นะพอเราไปทำบาปเราสบายใจไหมนั่นแหละก็เรียกว่านารกหรืออบายใจที่ไม่สบายนี้จะไป เป็นเปรตบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นผีบ้างไปตกนรกบ้างเป็นนรกบ้างนรกก็คือความร้อนจิตของใจเปรตก็คือความหิวโหวยผีก็คือความกลัวอันนี้เดรัจฉานก็คือการไม่รู้ว่าตนเองเป็นอะไรทาอะไร ทำไปตามความรู้สึกนึกคิดในรฉ า, านี้เขาไม่รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วเขารู้แต่ว่าจะทําไงให้เขาอยู่ให้เขาทำอะไรตามความอยากของเขาเขาอยากได้อะไรเขาก็ไปเอาทันทีเขาไม่คิดว่าเป็นของใครไม่รู้ว่าเป็นของใครอย่างสุนักเนียถ้าเรา เอาของวางไว้เดี๋ยวมันก็ฆ่าไปได้มันไม่มาขออนุญาตเราก่อนมันไม่คิดว่ามันต้องขออนุญาตมันคิดว่าของอะไรที่มันหยิบได้คว้าได้มันก็ออกไปได้เอาอะไรที่มันฆ่าได้มันก็ฆ่าถึงเป็นเลนราชานนี่คือใจที่เป็น อะไรไปในขณะที่ยังมีร่างกายนี้อยู่ถ้าไม่ทำบาปทำบุญนี้ก็เป็นเทวดาเป็นเทพแล้วบาไม่ทำวันนี้ไม่ได้ฆ่าสัตว์รักัษ์ประพฤติผิดประเวณีไม่ได้พูดปดไม่ได้เดินสุรายามาวันนี้มาทำบุญเอาข้าวเอาของเอาเงินเอาทองมาถวายให้กับวัดกับพระทำแล้วใจก็สุขสบาย ตอนนี้ใจเป็นสวรรค์เป็นเทวดาแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดกลับไปบ้านขับรถไป<ม>เห็นอะไรใครทำอะไรไม่ดีไปโกรธไปว่าเขาไปทะเลาะ ก, กันไม่ตีกันอันนี้ก็ไปทำบาปแล้วเน๋วใจก็ไม่สบายขึ้นมาแล้วตอนที่เรามีชีวิตอยู่นี่เราใจเราขึ้นขึ้นลงล ง, ลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ตามพฤติกรรมตามการกระทำของเราทำบุญก็เย็นสบายทำบาปหรือทำตามความโลภความโกรธก็ร้อนขึ้นมานี่คือใจของเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วพอร่างกายตายไปบุญกับบาปที่เราทำนี้มันก็จะมา แย่งใจของเราจะมาให้ใจเราร้อนหรือใจเราเย็ยนถ้าบุญมากกว่าบาปใจก็เย็ยนถ้าบาปมากกว่าบุญใจก็ร้อนหรือถ้าถ้าโลภมากก็หิวเปรตเป็นเปรตไปถ้าหลงก็กลัวกลัวไปหมดกลัวนูน่นกลัวนี่ไปหมดก็เป็นผีไป ถ้าอาคาตพยาบาทโกรดเกลียดเครียดแค้นก็เป็นนรกไปถ้าเย็นสบายอยากที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นเทวดาถ้านั่งสมาธิจิตสงบเป็นฌานก็เป็นพรหมถ้ามีปัญญาเห็นใจรักเห็นอนิจจทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจสีเห็นว่า ความทุกข์เกิดจากความอยากเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดเกิดจากความอยากตัดความอยากได้ไม่อยากได้อะไรไม่โลภไม่โกรธไม่หลงใจก็ไปนิพพานเป็นนิพพานไปนี่คือเรื่องของใจเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายก็ได้พระพุทธเจ้านี่ไปถึงนิพพานตั้งแต่ยังไม่ตาย วันเพ็ญเดือน6ตอนที่นั่งอยู่ใต้โคนต้นโพนิอวัตถยาไปถึงนี่ผ่านแล้วอวัธถยามีศีลมีสมาธิมีปัญญาครอบบริบูรณ์จึงทําให้ทําให้ใจนิ่เย็นสงบดับเหตุที่มาทําให้ใจร้อนคือความโลภความโกรธความหลงดับเหตุที่มาทําให้ใจทุกข์คือการกระทําบาปทั้งปวง สร้างความสุขให้กับใจด้วยการทำความดีต่างๆด้วยการทำใจให้สงบละงับจากความโลภโกรธหลงละงับจากความอยากต่างๆความอยากได้รูปเสียงกลิ่นลดความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเพราะไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ภายในใจ ใจก็ไปเป็นใจก็ถึงพระนิพพานแล้วถึงตั้งแต่ยังไม่ตายตอนนี้วันนี้พวกเราก็ถึงสวรรค์กันแล้วแต่จะรักษามันได้หรือเปล่าก็อยู่ที่การกระทำต่อไปนี้เดี๋ยวออกไปไปคุยกันไปโกหกกันเดี๋ยวก็ไปเป็นเดราชฉานะไปขโมยข้าวขอ ง, ขอ ง, ข, อ ง, ข, องของคนอื่นไปหยิบข้าวของของคนอื่นไปประพฤติผิดตระเวณีใครตอนนี้ไป ไปมีอะไรกับสามีภรรยาของคนอื่นก็ยังเป็นเดรัจฉานอยู่นะ <c oughs> มาเพฐ์ผิดประเวณีใครยังโลภยังอยากได้เยอะๆยังอยากรวยอยากได้นู่นอยากได้นี่แล้วก็ไปทําบาปเพื่อที่จะได้สิ่งที่ตอนเองอยากได้ก็เป็นเปรตลนะเปรตกับเทวดานี่มันอยู่คนละมุมกันอยู่คนละด้านกัน ในวันนี้จะไม่ทําบาปจะมีแต่ให้จะไม่อยากได้อะไรจอยากให้ให้แล้วมีความสุขเปรดนี่อยากได้ได้แล้วมีความสุขแล้วก็ได้แบบไม่ถูกคือได้ด้วยการทําบาปด้วยการช่อโก้ด้วยการโกหกหลอกลวงด้วยการลักทรัพย์ด้วยการฆ่าผู้อื่น อันนี้ก็จะทําให้ใจนี้หิวโหวยได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมได้ล้านหนึ่งก็อยากจะได้2ล้านนะได้2ล้านก็อยากจะได้3ล้านอันนี้ก็จะทําให้หิวให้อยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าคนชอบให้นี้ก็จะไม่โลภอยากได้อยากจะให้ให้แล้วมีความสุข แล้ไม่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่นไม่อยากจะทำบาปทามาหากินก็ทำด้วยวิธีสุจริตได้เงินมามากเกินกว่าที่จะใช้ได้ก็เอาไปทําบุญทําทานนี่ก็เป็นลักษณะของเทวดาไม่ได้หวังจะต้องร่ำรวยมหาศาลพ อ, อฮะพออยู่ได้กินได้ไม่เดือดร้อนก็พอแล้วนิสัยเทวดาจะเป็นอย่างนั้น ไม่โลกอยากเกินความจำเป็นก็ขอให้มีพอมีพอกินแล้วพอมีเกินก่อนนั้นก็เอาไปทำบุญกันเราเคยบินธบาร ท, ที่กรุงเทพมีร้านขายของอยู่ร้านอยู่แถววัดบอเนี่ยวันหนึ่งเขาจะใส่บาทรผ้าเป็นร้อยเลยเห็นข้าวเขาในหมบอบลรมเลย เขาเตรีมาเขาก็ไม่ล่ำรวยอะไรดูฐานะเขาก็มีห้องแถวสองห้องอะไรขายขายของอะไรตามปกติแต่ใจเขาไม่โลภใจเขามีความสุขจากการทำบุญนั่นนี้แหละคือลักษณะของเทวดาพวกที่โลภนี่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลามาทำบุญกันใช่ไหมพวกที่เป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านถามมันเคยใส่บาตรางไ ถ้าทำบุญก็ทำแบบเอาหน้าเอาตาสิต้องมีการถ่ายรูปลงหนังสือพิมพ์บริษัทของเราได้ทำนู่นทำนี่ได้สร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นมา อ, อันนี้ก็ไม่ได้ทำด้วยความการจะให้ทำด้วยความโลภีกโลภจะได้ขายของได้เยอะขึ้นเป็นการโฆษณาไปในตัวใช่ไหมประชาสัมพันธ์ใช่ไมประชาสัมพันธ์ก็การตลาดใช่ไหม คนที่ทําบุญด้วยความโลภมีทําแบบนี้ยังไม่ได้เป็นเทวดาก็ยังเป็นเปรตอยู่เนี่ยนะเพราะยังโลภยังอยากได้นี่คือใจของเราเราสามารถวัดใจของเราได้ด้วยทมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนตอนนี้ถ้าเราไม่ทําบาปได้รักษาศีลห้าได้เนีเราเป็นมนุษย์ร0 0แล้ว ถึงแม้จะไม่ได้ใส่บาทแม้แต่ครั้งเดียวแต่ถ้ารักษาศีล ไ, ได้หข้อนี้เราถือว่าเราเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบนะไม่ได้เป็นเดรัจฉานแต่ถ้าไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีนี่มันนิสัยของเดรัจฉานแนละใช่เดรัจฉ า, ามันเวลาจะกินอะไรมันมันมีของมันกินเองรู้เปล่าปัญหาของมันได้มมันก็ต้องไปคโมวอของคนอื่นกินนะ หรือว่าสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยใช่ไหมสัตว์ตัวใหญ่กว่าก็กินสัตว์ที่เล็กกว่าเป็นอาหารแล้วเวลามันอยากจะร่วมหลับนอนกับใครมันมันเลือกหรือเปล่าว่าเป็นสามีเป็นภรรยากันหรือเปล่ามันจะใครตัวไหนที่ไหนมันอยากร่วมหลับนอนกันเมื่อไหร่มันก็เอากันเมื่อนั้นแต่ <c oughs> ไม่ได้ถามว่ามีสามีหรือเปล่ามีภรรยาหรือเปล่า ถึงแม้ไม่มีมันก็กัดกันนะม้าเนี่ยเดือนเก้ามันกัดกันในรั้งนั้เลือดออกเต็มไปหมดนะมันแย่งกันแย่งตัวเมียกันมาเดือนเก้ามันมันวิ่งกันท้องฝูงเลยวิ่งตามตัวเมียตัวมาตัวผู้มันหลายตัวแล้วก็กัดกันกันกันแย่งกัน าการประพฤติผิดปรเวณีลักษณะแบบนี้เรียกว่าประพฤติผิดปรเวณีถ้าเป็นมนุษย์นี่มันมีคู่ของเขารู้ว่าใครเป็นภรรยารู้ว่าใครเป็นสามีแล้วอยากจะร่วมหลับนอนก็จะหลับนอนกับเฉพาะสามีหรือภรรยาของตนฉะนั้นเราตรวจดูได้เลยว่าตอนนี้เราเป็นมนุษย์สมบูรณ์หรือเปล่าเต็มร้อยหรือเปล่าดูที่ศีลห้านี่ หน้านี่เป็นตัวรับประกันความเป็นมนุษย์ของเราถ้าเราขาดข้อใดข้อหนึ่งแสดงว่าเร า, าไม่ได้เป็นมนุษย์เต็มที่แล้วเริ่มมีเริ่มแปลงพันธนะ์ละกายพันธนะ์ะถ้าทำบาปด้วยความหลงก็เป็นเอาเอ า, เอ า, เ, อาเอาพันธ์ของเดรัจฉานมาผสมกับมนุษย์ละ ถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็เอาเปรตมาผสมกับมนุษย์ถ้าทำบาปด้วยความกลัวมันก็เอาเอาสุลกายหรือผีมามาผสมกันกับมนุษย์เป็นครึ่งผีครึ่งคนครึ่งเปรตครึ่งคนครึ่งเดรัจ้านครึ่งคนถ้าเอาความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเคยียดข้านมาผสมก็เอานรกเอาสัตว์นรกมาผสมกับ มนุษย์คนที่ไปตามฆ่าคนนั้นคนนี้เพราะโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทเนี่ยไปทำร้ายผู้อื่นอันนี้ก็เอาเอานาลกมาผสมกับมนุษย์แต่ถ้าเรารักษาศีลห้าได้ครบนี่เราก็เป็นมนุษย์ได้เต็มร้อยแล้วถ้าเราทำบุญใส่บาตรถวายทานบรยจากข้าวของเงินทอง ให้กับใครก็ได้วัดก็ได้โรงเรียนก็ได้โรงพยาบาลก็ได้หน่วยงานสาธารณะกุศลต่างๆหรือใครก็ได้ให้เข า, าให้เขาไปทำประโยชน์เราเสียสระแบ่งปันเราก็เป็นเทวดาตั้งแต่อย่างไม่ตายที่เขาเรียกว่าร่างกายเป็นมนุษย์แต่ ได้เป็นเทวดาไปแล้วถ้าทาบาปไม่สามารถรักษาสินฆ้าได้ก็เป็นเดรัจฉานไปแล้วกายเป็นมนุษย์แต่ใจเริ่มกลายเป็นเดรัจฉานแล้วถ้านั่งสมาธิได้จิตสงบไม่ต้องหาความสุขจากทางร่างกายไม่ต้องดูไม่ต้องฟังไม่ต้องเดิมไม่ต้องรับประทาน ไม่ต้องไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไม่ต้องนอนหลับกับแฟนพวกนี้ก็ใจก็กลายเป็นพรมไปนั่งสมาธิใจสงบมีความสุขจากการนั่งสมาธิที่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสกรูปเสียงกลิ่นรสแล้วถ้าได้มาพบกับ ศาสนาคําสอนของพระเจ้าได้ยินว่ า, าความอยากเป็นโทษเป็นเหตุที่ทําให้เกิดแก่เจ็บตายเป็นเหตุที่ทําให้ใจวุ่นวายไม่สงบแล้วก็ทรงสอนได้ยินว่าให้มองว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวไม่ไม่ใช่เป็นของที่ถาวร ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปเวลาเสียความสุขที่ได้จากสิ่งที่ได้มาก็กลายเป็นความทุกข์ไปพอเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอันนี้จังทุกขังนะนัตตาเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากไปได้สิ่งต่างๆเห็นว่าการมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำอีกก็เกิดจากการที่ไปอยากได้สิ่งต่างๆ อยากได้ร่างกายก็จะได้ใช้ร่างกายไปหาสิ่งต่างๆไปหาลูกเสียงกลินรถก็ต้องมีร่างกายหาเงินหาทองหาข้างของหาอะไรต่างๆไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ต้องมีร่างกายพาไปแต่มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันสุขเดียวๆเป็นสุขแบบยาเสพติดเวลาไม่ได้เสพก็ทุกข์ เวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็ไม่ได้เสกถ้าเห็นว่าความสุขในโลกนี้เป็นความทุกข์ก็เลิกไม่มีความอยากได้อะไรจากจากโลกนี้ไม่อยากได้ลาบยศสรรเสริญไม่ได้อยากได้รูปเสียงกลิ่ น, น, ดนดลดลดหรือตัดความโลภความอยากต่างๆให้ หมดไปจากใจได้ก็เป็นพระอริยะเจ้าขั้นต่างๆไปขั้นโสดาบันขั้นอัจจกิดาคามีขั้นอนาคามีก็ตัดความอยากต่างๆไปทีละตัวสองตัวจนกระทั่งตัดมันได้ทั้งหมด10บตัวที่เรียกว่าสังโยสสเนี่ยสังโยสิสเนี่นก็เกิดจากความอยากทั้งนั้นสกายทิฏฐิ ก็ทำให้อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะแต่พอเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่ใช่ตัวเราของเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้นะก็ปล่อยมันไปปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายนะอันนี้ก็จะตัดความอยาก คือวิภาวะตัญหาความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ใจก็ไม่ทุกกับร่างกายไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายแล้วก็จะไม่สงสัยในพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์เพราะว่านี่คือการปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนสอนให้พิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา ร่างกายไม่เที่ยงร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้ถ้าอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกข์ถ้าถ้าหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความแก่เจ็บตายของร่างกายก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าพระธรรมคาสอนเป็นของจริงหรือเปล่าพระอริยสงสารกนี้มี มีจริงหรือเปล่าก็ผู้ที่มีผู้ที่ละสักกาะยะทิฏฐิได้นี่แหละก็คือพระอริยสงสาวกขขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันก็จะรู้ตัวเองว่าตัวเองตอนนี้ได้เป็นโสดาบันแล้วไม่ต้องไปถามใครให้เสียเวลาถ้าไปถามก็แสดงว่ายังไม่ไม่เป็นนสิถ้าคนเป็นแล้วต้องไปถามทำไมคนที่ไม่เป็นถึงต้องไปถาม ยอย่ามาถามว่าเป็นหรือยังมันสันติโกใช่ไหมธรรมุตะเจ้าสันติโกไม่สงสัยไม่สงสัยในธรรมที่ได้บรรลุเหมือนคนกินข้าวอิ่มแล้วต้องไปถามคนอื่นหรเปล่าว่าอิ่มหรือยังนะเวลากินข้าวนี่ไปถามคนอื่น้ว่าพอหรือยังกินอิ่มหรือยังคนกินยอมรู้แก่ใจว่าตนเองอิ่มหรือไม่อิ่ม คนที่ปล่อยวางร่างกายแล้วย่อมรู้แก่ใจว่าปล่อยได้หรือยังไม่ใช่มาถามว่าปล่อยได้แล้วเมื่อวานนี้ก็มีคนมาคุยว่าเขาแยกใจออกจากร่างกายได้แล้วแล้วปล่อยได้หรือยังไม่รู้ไม่รู้ว่าปล่อยอยังไงแต่นั่งวิเคราะห์ได้ว่าอ๋อใจเป็นอย่างนี้กายเป็นอย่างนี้่างนี้ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ละส ก, กายทิฐิ กายกาติตินั้นต้องเห็นว่าร่างกายนี่เป็นของคนโน้นมันจะตายก็ไม่เป็นไปยุ่งเกี่ยวกับมันไม่ไปรักษาไม่ไปคุ้มของไม่ไปหวาดกลัวไม่ไปวิตกกับมันร่างกายคนอื่นเป็นอะไรเราไปวิตกหวาดกลัวครับว่าส่งอาหารไปรบในสงขามนี่เราไปกลัวเขาจะตายกันหรือเปล่าถ้าส่งเราไปเรากลัวไหมมันต้องไม่กลัวเหมือนกับที่ส่งเข้าไปเลย ร่างกายนี้มันก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเหมือนกันร่างกายของคนของคนอื่นนั่นแหละมันถึงจะดูว่าไม่ได้ร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราถ้าเราดูแลสุขภาพร่างกายตัวนี้ถือเป็นวิภาวตัณหาหรือเปล่านดูแลด้วยความกลัวก็เป็นแ้าว่ากินอันนี้มากไปมันจะเป็นความดันจะเป็นเบาหวานอะไรเงีนะ้ยกลัวทั้งนั้นก็ยังกลัวตายอยู่ใช่ไหมยังกลัวเจ็บอยู่ใช่ไหม แต่พระโสดามันท่านดูแลแต่ท่านไม่ได้ดูแลเพราะความกลัวอันดูแลเพราะว่ามันต้องทําตอนที่จางเป็ดมันเป็นรถใช่ไหมว่าต้องมันนั้นตันรถมันเสียก็ต้องซองถ้ายังต้องใช้รถอยู่ตามตามตามรอบมันตามรอบของมันแต่ว่าไม่ได้ย้ายมันเสียหรือว่าไม่ไม่ได้วงุมเพราะว่ากลมันจะเสียแต่ว่าต้องถึงรอบต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนเพราะยังต้องใช้มันอยู่พระโสดาบันยังต้องปฏิบัติทําขั้นที่สูงต่อไป ร่างกายก็ยังต้องดูแลมันยังต้องกินต้องนอนต้องเดิ่มต้องอะไรอยู่ไม่สบายก็รักษาแต่ไม่เครียดกับการรักษาใช่ไหนคะว่าถ้าความรู้สึกของเราคือมองเหมือนคนอื่นตายแล้วถ้าเราจะตายแล้วมองเหมือนยังไงได้ตลอดเวลาแสดงว่ า, เ, าเราก็เราก็ไม่กลัวตาย<อ> <laughs> <laughs> ไม่กลัวเจ็บนะเวลาเจ็บก็เฉย เวลาหมอฉีดยาก็ไม่สะดุ้งมองเหมือนเป็นคนอื่นไปเลยอเวลาคนอห่นเขาฉีดยาเวลาหมอผ่าตัดคนอื่น้วาเราเครียดไหมแล้วเวลาหมอบอกว่าเราต้องผ่าเราเราเครียดหรือเปล่าต้องไม่เครียดผ่าก็ผ่าจ่ายเรายัง่ายเรายังไม่ถึงจ่ายจะไม่เครียดได้ต้อง ทำใจให้ได้สมาธิก่อนถ้ายังไม่ได้สมาธิมาวิปัสสนาไม่ได้หรอกวิปัสสนาฟองก็ยังนะวิปัสสนานึกวิปัสสนึกนึกไปว่าฉันไม่กลัวเจ็บฉันไม่กลัวตายหรอกพระยังไม่เจอความเจ็บยังไม่เจอความตายม น, นึกได้แต่พอไปเจอความเจ็บกลัวความตาย ใ, ใจสั่นไปหมดแต่ถ้ามีสมาธิใจยังไม่สัน่น แล้วต้องมีปัญญารู้ว่าร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปห้ามมันไม่ได้ก็ควบคุมใจทั้งด้วยปัญญาด้วยสมาธิสองอย่างมันถึงจะอยู่ถ้าไม่มีสมาธิควบคุมด้วยปัญญาอย่างเดียวมันไม่อยู่แต่ถ้ามีสมาธิไม่มีปัญญามันก็ไม่ควบคุมเวลาใจเป็นอะไรมันก็สั่นขึ้นมาได้ถ้าไม่มีถ้ามีสมาธิแต่ไม่ใช้สมาธิหยุดมัน เพราะว่าไปหลงรักร่างกายไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราต้องพยายามรักษาต้องคุ้มครองมันก็กลัวมันจะตายกลัวมันจะไม่หายมันต้องมีทั้งสองอย่างมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาออปัญญาบอกว่าไปอยากไม่ได้ไปกลัวไม่ได้กลัวแล้วทุกข์อยากแล้วทุกข์ปล่อยมันไป มันจะหายก็หายไม่หายก็เรื่องของมันมันจะทําจะได้อย่างนี้ก็ต้องมีสมาธิเอาใจไปตั้งอยู่ที่อุเบกขาแต่ถ้าไม่มีอุเบกขามันก็ไม่รู้ไปตั้งไว้ที่ตรงไหนมันตรงไม่ลงไงใช่ไหมรู้ว่าต้องตายแต่ปรงได้เปล่าปรงไม่ลงรู้ว่าต้องเจ็บแต่ปรงไม่ลงไม่มีที่ปรงหาที่ปรงไม่เจอยังต้องมาหาที่ปรงกัน เวลานั่งสมาธิเนี่ยเป็นการหาที่ปลงวเวลาจิตสงบในจิตก็ปลงจิตปล่อยทุกอย่างเวลาสงบจิตปล่อยวางร่างกายชั่วคราวแต่ไม่ได้ปล่อยด้วยปัญญาปล่อยด้วยสติปล่อยด้วยการหยุดความคิดถึงร่างกายพอไม่คิดถึงร่างกายก็ไม่สนใจว่าร่างกายจะเป็นอะไรร่างกายก็เป็นเหมือนคนอื่นไปจิตก็เข้าไปอยู่ที่ตัวรู้แทน แต่อยู่ได้ไม่นานพอออกมาก็กลับมาอยู่ที่ร่างกายแล้วกิเลส ก, ก็มาหลอกให้ว่าให้ใจคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราต่อตอนนั้นถึงต้องใช้ปัญญามาแก้กิเลสที่มาคอยหลอกว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราก็ต้องคอยพิพจารณาสอนใจให้เรื่อมันเป็นดินน้าลมไฟเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นธรรมชาติ เป็นสิ่งที่มันต้องเป็นไปตามขั้นตอนของมันมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีแก่แล้วก็ต้องมีเจ็บมีเจ็บแล้วก็ต้องมีตายเหมือนพระอาทิตย์ที่ขึ้นน่ตอนเช้าก็ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วมันก็เคลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวกลางวันมันก็อยู่เหนือศีรษะเราเดี๋ยวตอนเย็นมันก็ไปที่ทิศตะวันตกนางกายมันก็เป็นแบบนี้เวลาเกิดก็เป็นเด็กพออายุกลางคนก็เป็นผู้ใหญ่ แล้วพออายุแก่ลงก็ตายมันเป็นธรรมชาติเหมือนกับดวงอาทิตย์มันไปอย่างไม่มีวันหยุดร่างกายนี้มันมันเป็นก็เรียกอะไรเป็นระบบที่มันทำงานของมันไปโดยที่มันไม่หยุดยัง้งมันไปเปลี่ยนไปตามขั้นตามตอนของมันไม่มีใครไปสั่งว่าเอาหยุดแค่อายุสิบขวบนะ ไม่อยากจะโตมากกว่านี้แล้วบอนไซมันได้เปล่าบอนไซร่างกายได้เปล่าลูกนี่มันน่ารักตอนอายุสองขวบนี่บอนไซมันไวเลยไม่ได้มันโตกว่านี้ยังลูกอายุสองขวบนี่มีความสุขว่านอนสอนง่ายเหมือนนกกระเหมือนตุ๊ ก, กตาสั่งให้ทําอะไรก็ทําตามคำสั่งพ อ, อสักสิบสิบสองขวบขึ้นมาจักจะดือ้อเลยแล้วสิบห้าขวบยิ่งดื้อใหญ่ อั น, นี้มันห้ามไม่ได้ร่างกายมันต้องเจริญเติบโตแล้วก็แก่ชราลงไปตามขั้นตอนของมันเราไปยุ่งกับมันแล้วเราจะทุกข์ถ้าเราไปอยากให้มันไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราจึงต้องศึกษาความจริงของร่างกายแล้วอยู่กับมันรับรับความจริงของมันอย่าไปฝืนอย่าไปอยากพอเวลามันแก่ก็ ก็รับว่ามันต้องแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยอมรับว่ามันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยถ้รักษาได้ก็รักษาไปไม่ได้รักษาด้วยความอยากคือรักษาไปหายก็ดีไม่หายก็ก็ดีก็อยู่กับมันไปหายเดี๋ยวมันก็เป็นใหม่อยู่ดีหายจากโลคนี้เดี๋ยวมันก็เป็นโลคใหม่หรือโลกเก่าก็กลับมาใหม่ เป็นหวัดนี่บางทีเป็นกันแคบทุกปีใช่เป็นแล้วเดี๋ยวก็เป็นใหม่ถ้ามันเป็นแล้วมันไม่หายก็ดีโรคใหม่มันก็จะมาไม่ได้ <c oughs> คิดอย่างนี้ก็ดีไหเป็นหวัดทั้งปีไปเลยอยู่กับมันจนชินไปเลยจะได้ไม่กลัวหวัดเนี่ยถ้าเราอยู่กับมันนานๆเราก็จะชินกับมันเองอยังไงคนพิการก็จะอยู่กดตัวก็ได้ไง เขาก็อยู่จนชินนะแต่คนที่เป็นพิการใหม่ๆนี่ทุกข์มากเลเพราะไม่เคยเป็นไม่เคยพิการมันก็ทุกข์มันต่อสู้มันดิ้นมันอยากจะให้หายอยากจะให้กลับไปเป็นเหมือนตอเมื่อก่อนนี้กลับเป็นปกติแต่ทํางานมันก็ไม่กลับไปเหมือนเดิมละถ้ายอมรับมันก็ไม่ทุกข์อ่ะตอนนี้เปลี่ยนบทบาทใหม่เมื่อก่อนเป็นคนสมบูรณ์ แบบตอนนี้ขอเป็นคนพิการบ้างก็เล่นบทพิการไปมันก็ไม่ทุกข์ถ้าเราอยู่กับความจริงได้เราจะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราไปอยู่กับความอยากความจริงเป็นอย่างนี้แต่ความอยากเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยทำให้เราทุกข์เช่นตอนนี้เราเป็นโสดเนี่ย เราไม่มีความสุขเพราะเราอยากจะมีคู่เนี่ยมันก็เพราะเราอยู่กับความอยากเราไม่ได้อยู่กับความจริงถ้าเราอยู่ความจริงว่าเป็นโสดก็อยู่ได้เกิดมาก็มาคนเดียวนะก็อยู่ได้เป็นโสดมาต้องนานทำไมไม่เห็นเดือดร้อนพอมาโตอายุยี่สิบขึ้นมาทำไมอยากจะมีคู่ขึ้นมาซะละไม่ยอมไม่ยอมอยู่เป็นโสดนะพอไม่ยอมก็ทุกข์ขึ้นมาด้วยคนที่มีคู่แล้วเดี๋ยวอา แฟนจากไปก็ทุกข์อีกแล้วเพราะอยู่กับการอยู่กับคนเดียวไม่ได้อีกแล้วคอยอยู่กับสองคนอยากจะให้อยู่กับสองคนต่อไปแต่ตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วก็ร้องโหย่ร้องไห้เศร้าสศกเสียใจไปก็เมื่อก่อนตอนเกิดมาก็มาคนเดียวเม้นต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าสศกเสียใจใช่ไหม อยู่เป็นส่วนมาตั้งอายุเท่าไหร่ตั้งแต่เกิดมาถึงอายุ20ปีนี้ไม่ไม่ได้อยู่กับใครทำไมอยู่ได้ไม่มีแฟนทำไมอยู่ได้พออายุ20ขึ้นมาปั๊บนี่อยากจะมีแฟนขึ้นมาทันทีเนี่ยความอยากมันจึงทำให้เราทุกขเราชอบสร้างความทุกข์ให้กับเราด้วยความอยากกันเราไม่ยอมอยู่กับความจริงกันอยู่กับความจริงก็ไม่ทุกข์คนที่อยคนที่ ชอบอยู่คนเดียวแล้ถูกพ่อแม่บังคับให้แต่งงานก็ทุกข์เองเพราะไม่อยากจะมีคู่แต่ถ้าอยู่กับความจริงเอาพ่อแม่ให้แต่งก็แต่งมีคู่ก็มีมันก็ไม่ทุกข์อยู่คนเดียวก็ไม่ทุกข์มีคู่ก็ไม่ทุกข์ถ้าเราอยู่กับความจริงได้ดะงั้นเราต้องตัดความอยากแ ล, แล้วเราก็จะอยู่กับความจริงได้ความอยากมันชอบจะให้เราหนีความจริงเราไม่ชอบความจริง เราพอไม่สบายเราก็ไม่ชอบความจริงนี้แล้วเราชอบความไม่เราชอบเวลาที่มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอเวลามันเจ็บไายได้ป่วยเราก็ไม่สบายใจแล้วพอเราอยากให้มันหายเราอยากไม่ให้มันเป็นอยากไม่ให้ร่างกายไม่สบายมันก็ทุกข์แต่ถ้าเราอยู่กับความจริงได้มันไม่สบายก็ไม่สบายไปดูแลรักษามันไปตาม ตามเหตุตามผลรักษาได้ก็ดีรักษาไม่ได้ก็ก็ต้องอยู่กับมันเนะนี่คือปัญหาของใจของพวกเราไม่ได้อยู่ที่มีมากมีน้อยแต่อยู่ที่ความอยากไม่อยากอยู่ที่ความอยู่เฉยๆได้หรือเปล่าอยู่โดยไม่มีความอยากหรือไม่อยากได้หรือเปล่าความไม่อยากก็ไม่ได้ยัง ไม่อยากแก่ไม่เจ็บไม่ไม่อยากตายก็ไม่ดีความอยากอยู่เป็นนานๆก็ไม่ดีเพราะมันอยู่ไม่ได้มันถึงวันเวลามันก็ต้องเวลามันก็ต้องตายไปวันใดวันวันหนึ่นงให้เรามาฝึกหัดมาทำใจให้เป็นกลางเฉยๆอย่าไปอยากอย่าไปรักอย่าไปชังอย่าไปกลัวอย่าไปหลงแล้วมันจะไม่มีความอยาก นี่มันอยากเพราะมันรักพอรักอะไรก็อยากได้พอชังอะไรก็อยากให้มันหายไปพอกลัวอะไรก็อยากจะหนีจากสิ่งที่ทําให้เรากลัวพอหลงก็เลยไปไปหาสิ่งที่เป็นทุกข์ให้กับเราเพอคิดว่ามันเป็นสุขที่หลงไปคิดว่ามีนั่นมีนี้แล้วจะมีความสุข ดังเราต้องมาฝึกสมาธิกันนั่งสมาธิทําใจให้สงบเวลาใจสงบแล้วมันจะเป็นกลางมันจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแล่วเราจะรู้ว่าวิธีที่ทําใจของเราให้มีความสุขก็คือการรักษาความเป็นกลางนี้ไว้พอออกจากสมาธิมาติเลสนั้นก็จะดึงให้เราออกจากความเป็นกลาง ถ้ามันเป็นกลางนี้มันจะอยู่กับความจริงได้แต่ถ้ามีกิเลสกิเลสมันจะมาดึงให้เราหนีจากความจริงมันจะดึงให้เราไปอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสอนว่าอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากมีอะไรอย่าไปอยากเป็นอะไรให้อยู่กับความจริงไปอะไรนี้มีอะไรก็อยู่กับมันไปยินดีตามมีตามเกิดสันโดษ แล้วใจจะไม่ทุกข์ความสุขความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่มีมากมีน้อยอยู่ที่มีความพอใจกับความความเป็นจริงของเราตอนนี้เราเป็นอะไรมีอะไรถ้าเรามีความพอใจเราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเรามีความไม่พอใจเราก็จะทุกข์จะยกตัวอย่างให้ฟังคนสองคนนี่มีเงินเท่ากันแต่คนหนึ่งทุกข์อีกคนแต่คนหนึ่งสุข เงินล้านหนึ่งเท่ากันคนที่สุขเพราะว่าเมื่อก่อนมีแค่แสนเดียวแล้วได้เงินมาเพิ่มเป็นหนึ่งล้านก็มีความสุขดีใจอีกคนมีล้านหนึ่งแต่ทุกข์เพราะว่าเมื่อก่อนมีสิบล้านเราหาเงินหมดไปเหลือแค่ล้านเดียวมีเงินเท่ากันแต่คนหนึ่งสุขแต่คนหนึ่งทุกข์เพราะคนหนึ่ง มีความดีใจมีความรักที่ได้ที่ได้เพิ่มมากขึ้นอีกคนยังมีความทุกข์มีความเสียใจเพราะเสียเสียเสียเงินที่เคยมีเงินกลับน้อยลงมาเังนั้นปริมาณเงินมันไม่ได้ทำให้คนเราสุขหรืทุกข์จริงๆคนสองคนนี้สามารถมีความสุขเท่ากันได้คือไม่ทุกข์ได้ถ้าพอใจกับเงินที่มีอยู่ เขาก็มีร้านเราก็มีร้านทําทไมเขาสุขเขาดีใจเราทําไมทุกข์เพราะเราเคยมีสิบร้านยังวิธีดีที่สุดก็คือหอยู่แบบไม่มีเลยดีกว่าเพราะถ้ามันไม่มีแล้วมันก็มันจะไม่มีคามความทุกข์เพราะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วมันมีแต่จะได้คนที่ไม่มีนี่มันมีแต่จะได้ ได้บาทหนึ่งก็ดีใจนะจากศูนย์มาหนึ่งบาทนั่นก็ได้แล้วใช่ไหม mm hmm. ฉะนั้นหัดไปอยู่แบบศูนย์ดีกว่าอยู่แบบไม่มีได้แล้วจะมีความสุข mm hmm. เพราะว่าเวลาได้อะไรมานิดนึงก็ดีใจแล้ว mm hmm. อย่างพาเวลาไปบินตาบาตตอนเช้านี่ได้ลายใสบาทมาก็ดีใจแล้วมีข้าวกินแล้วไม่อดวันนี้ไม่อดตายแล้ว ม, มันโยมจะกินข้าวแต่ละมื้อนี่เลือกบน่นโอ้อันนี้ก็กินไม่ได้อันนั้นก็กินไม่ได้ไม่อร่อยว่าเรามีมันมีมากจนทำให้เราจู้จี้จุกจิกมันต้องไม่มีแล้วมันจะอะไรก็อร่อยหมดกินมื้อเดียวลองกินมื้อเดียวดูสิพอพรุ่งนี้ถึงเวลากินนี่อะไรเห็นอะไรมันอร่อยไปหมดเลยกินได้ทุกอย่าง พระพุทเจ้าสอนให้มักน้อยสันโดษแล้วชีวิตจะมีความสุขถ้ามีก็ให้มีน้อยๆถ้ามีมากก็เอาไปให้คนอื่นไปเอาแค่น้อยๆเอาแค่พอกินพอใช่กิเลสมันจะได้ไม่ออกมารบ ก, กวนเราถ้าตามใจกิเลสเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอพอมันไม่พอมันก็ไม่สุขแล้วความสุขมันอยู่ที่พอ อถ้าไม่พอมันก็ไม่สุขถ้าพอมันก็สุขวิธีจะพอก็ต้องมักน้อยสันโดษได้เท่าไหร่ก็าก็พอใจได้น้อยก็พอใจได้มากก็พอใจได้มากเกินไปก็ไม่เอาให้แบ่งให้คนอื่นไปอย่างพระบิณฑบาตกลับมานี่ยชันเสร็จแล้วเหลือเท่าไหร่ก็ยกให้คนอื่นไปหมดไม่เก็บเอาไว้ในวันนี้ไม่มีข้าวเหลือ พรุ่งนี้ก็ต้องไปวัดดวงใหม่พรุงนี้ก็ต้องไปบิทบาศใหม่ดูว่าจะได้กินอะไรหรือไม่ได้กินอะไรแตใจมันสบายเขยอาใจมันยินดีตามเมตตาเกิดแล้วมันไม่ต้องมาพาวองมากังวลบางคนกินมื้อนี้ยังไม่ทันเสร็จคิดถึงมื้อหน้าแล้วจะกินอะไรดีเดีย๋ยวต้องไปเตรียมซื้อกับข้าวมาทำกนะันละ ใจเราวุ่นวายไปกับความโลภความอยากต่างๆแล้วได้มาแล้วก็หมดไปแต่ความโลภความอยากมันไม่หมดไปความพอไม่พอนี่มีเดียวๆพอกินอิ่มก็พอแล้วเดี๋ยวพอความโลภความอยากโผล่ขึ้นมาใหม่ความพอก็หายกัแล้วยางเราต้องกําจัดกิเลสความโลภความอยากต่างๆให้ได้ โดยการฝึกนั่งสมาธิด้ยการใช้ความมักน้อยสันโดษด้วยการใช้ปัญญาสอนใจว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ให้ความสุขความพอกับเราได้นอกจากความนอกจากการตัดความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากใจเท่านะั้นนอกจากการทําใจให้สงบตรงนี้เท่านะั้นถ้าไม่มีความอยากใจก็จะสงบสงบแล้วมันก็จะพอ แม้จะอดตายมันก็ไม่หิวใจไม่หิวร่างกายมันหิวก็เรื่องของร่างกายพระพุทธเจ้าอดข้าวต้อง49าวันใจของท่านมีความสงบมีสมาธิท่านถึงอดได้เพียงแต่ว่าตอนนั้นยังตับความอยากไม่ได้เวลาความอยากโผล่ขึ้นมาก็หิวอยากได้ก็เลยรู้ว่ายังไม่บรบรลุจะบรรลุด้วยการอดข้าวนี้ไม่ได้ กิเลสมันไม่ได้ตายด้วยการอดข้าวกิเลสมันตายด้วยการเห็นโทษของความอยากกินข้าวมากเกินไปถ้ากินข้าวด้วยความอยากมันก็จะทุกเพราะมันจะอยากไปเรื่อยๆกินมื้อนี้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะกินมื้อนั่นต่อร่างกายมันถึงพองขึ้นมาเป็นตุ่มถ้ากินด้วยความอยากถ้ากินด้วยความจำเป็นกินแบบกินยามันก็จะไม่พอง กินวันละมื้อนี่รับรองได้ไม่มีวันพ่องที่พองกันก็นเพราะกินวันละสีห้ามือ้อละมือ้อนึงก็ดับเบิลกันอย่างน้อยจานเดียวกินไม่พอต้องสองสามจานนั่นยันเรื่องของเราก็คือเรื่องของของการมากำจัดความอยากต่างๆความโลภความโกรธความหลง ด้วยการมาทำบุญทำทานกันคอยกาจัดความโลภอยากได้เงินเยอะๆเราต้องเราต้องตั้งเป้าไว้ว่าเอาแค่นี้มากกว่านี้ไม่เอามันจะได้ไม่โลภคือตั้งเพดานไว้ว่าจะได้แค่นี้พอแล้วมีแค่นี้พออยู่พอกินแล้วถ้ามีมากกว่า น, นี้เอาไปทำบุญได้อย่างนี้ใจเราก็จะมีความสุข ความอยากก็จะน้อยลงไปแล้วเราก็จะได้มีเวลามาทําใจให้สงบมานั่งสมาธิกันมารักษาศีลกันมาศึกษามาใช้ปัญญาเจริญปัญญากันถ้าเรามัวแต่ไปหาเงินมันจะไม่มีขอบเขตได้เท่านี้มันก็อยากจะได้เพิ่มเปิดร้านได้สองสาขาเดี๋ยวก็อยากจะเปิดสาขาที่สามสาขาที่สี่ ถ้ามันขายดิบขายดีคนมาซื้อมันก็ขยายไปเรื่อยๆไหม s e v e n หมตอนต้นมันเริ่มกี่สาขามันก็เริ่มต้นไม่กี่สาขาพอขายดีก็ไปขยายต่อเปิดไปเรื่อยๆแล้วมันอิ่มมันพอั้มเงินมันเยอะขึ้นแต่ใจมันสงบนะใจมันอิ่มมันพอหรือยังมันไม่พอมันอยากจะาก็ อยากจะขยายเพิ่มต่อไปก็ไปขยายที่ลาวที่เขมรต่อที่พม่าต่อใจก็จะไม่มีวันที่จะมานั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบมาตัดกิเลสมาตัดความอยากต่างๆได้ร่างกายเป็นเศรษฐีแต่ใจอาจจะเป็นเปรตโดยมนุษย์สิบตัว งนั้นก็ขอให้เรานำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญของใจที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่พัทยาครับ ทาอะไรอยู่มีานขายเครื่องหนังนะคะแล้วมีลูกช่วยนนี้ให้ลูกทาหมดแล้วปล่อยไบ้างแล้วอะค่ะแต่ว่ายัม่หก็ยังทำได้ก็ช่วยกันไปคงไม่ได้ทำอะไรแล้วฮะหมายความว่าก็ดูแลเองแต่เป็นที่ปกษากบ้างเออดีก็ดีจะได้มีเวลามา ปฏิบัติทำมาทำบุญเรายังต้องไปต่อเราต้องเอาบุญติดตัวไปบุญเหม็นเงินทองที่เราไปใช้ต่อได้ทำบุญทำทานรักษาศีลไปเราจะไปดีต้องศีลแนะศีลแปได้ยิ่งดีแต่ศีลห้าก็ได้ศีลห้าก็ดีขั้นต้นก็ศีลห้าให้ได้ก่อนถ้าได้ศีลห้าแล้วเดี๋ยวมันก็อยากจะรักษาศีล8ดเอง เพราะว่ามันมันเหมือนกับว่าซื้อตั๋วชั้นที่หนมาชั้นที่2ตอนต้นมีเงินช็ดซื้อชั้น2ก็ใช้ซื้อชั้น2ไปก่อนอพอมีเงินมากเดี๋ยวก็อยากจะซื้อชั้นหนึ่งเองนสมันก็ติดติดอยู่ตรงนี้แหละคื อ, อเเผลอเผ ล, ลอไม่เป็นไรก็หัดฝึกไว้ิถตั้งสติไว้ตอนนี้เรารักษาศี่5้าแล้วโกหกพูดโกหกไม่ได้แล้วเรื่องค่าสาัดเงี้ยฮะาสายก็อยากไปฆ่ามัน ไล่มันไปไล่มันไปไล่มันไปที่เผลอจะไล่แล้วไปตกอะไรอย่างเงี้ยก็ฝึกได้ของงี้คอยเตือนใจแล้วว่าตอนนี้เราเราต้องเป็นมนุษย์เราอย่าไปเป็นยุงนะไปตกเขาต้องต่อไปเดี๋ยวตายไปก็ไปเป็นยุงให้เขามาตกเราอสิ่งแปลกก็ดีนะคะเราไปถือสิ่งแปลกหลังเที่ยงแล้วไม่ต้องมีเรื่องกินได้ไม่ต้องกังวล สะดวกสบายรักสุขสใช่สุขภาพก็จะดีขึ้นด้วยกินน้อยลงโรคภายแค่จีบส่วนหนึ่งก็เกิดจากการกินมากเกินไปน <ฮะ S 2> พอลดได้ก็สุขภาพจะดีขึ้ น, นมีหนังสือซีดีนะถ้าต้องการก็หยิบไปเต็มไมลนแล้วเหมือนกั น, นมู่กี่คน สครับอผู้ชายผู้หญิงผู้ชาผู้หญิงมีคนผู้ชายอยู่ด้วยกันนะทํางานด้วยกันใว่ไหมตอนนี้เขาก็อยู่ที่ร้านน่ะนะสองคนทั้งสองคนเจอกันไม่มีครอบครัวมีร้านคนเดียวผู้หญิงมีครอบครัวแต่ผู้ชายยังไม่มีอก็ให้เขาดูบริหารกันหมดแล้วดีผมก็นานๆก็จะออกมาดูเขาบ้างอะไรเขาบ้างส่วนมากผมก็จะอยู่กันสองคน เราก็ไปทำบุญบ้างนะเรอ่อานหนังสือธรรมาะไปเราจะได้ความรู้<อ>แล้วก็จะอยากปฏิบัติเองครับผอนิดหนึ่งเกี่ยวกับว่าถ้าเราสวดมนต์เนี่นะฮะกับการนั่งนั่งธรรมฐาน เ, เหมือนกันนะตอนต้นก็ต้องสวดก่อนถ้านั่งนั่งเฉยเฉยไม่ได้ก็ต้องสวดไปก่อนถ้านั่งดูลมไม่ได้นั่งพุโทโธไม่ได้ก็ต้องสวดมนต์ไปก่อนเป็นการสร้างกําลังสร้างสติขึ้นมา พอเราสวดไปได้แล้วสักพักเราก็หยุดแล้วเราก็นั่งดูลมหายใจต่อได้เราต้องการให้ใจอยู่เฉยๆไม่ให้คิดอะไรนั่งกาหนดลมหายใจแล้วพูดพุทเข้าโทรออกหรือเปล่าทั้งสองอย่างได้ทั้งสองอย่างดูลมเฉยๆไม่ต้องใช้พุทโทรก็ได้จะใช้รวมกันก็ได้จะใช้พุทโทรอย่างเดียวโดยไม่ต้องดูลมก็ได้มีสามวิธีพุทธโทรไปเรื่อยๆไม่ต้องดูลมหรือดูลมอย่างเดียวไม่ต้องพุทโทร เลยเอาพุธเข้าโทออกยมันมี3วิธีด้วยกันใช้ได้วิธีไหนที่เราถนัดเราก็ใช้วิธีนั้นไปแต่ถ้ามันนั่งแล้วมันห ม, ด, มดหงดหที่เราลุกขึ้นมาเดินจงกรมได้ได้แลหงุดหงิดหรือนั่งสวดมนต์ไปก่อนก็ได้วันทีที่มันหงุดหงิดเพราะใจมันอยากมันไม่ยอมอยู่กับพุธโธไม่ยอมอยู่กับลมก็จะถ้าอยากจะนั่งต่อก็ลองสวดมนต์ไป นั่งสวดมันไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเดินแล้วก็ท่องพุทโธไปเวลาเดินก็พุทโธพุทโธไปออย่าไปคิดอะไรเอเดี๋ยวก็จะกลับไปนั่งใหม่ได้ตอนตรวดมดนต์นะฮะสวดๆแล้วง่วงง่วงก็หลับก็นอนเนี่ยมันนั่งสวดแล้วก็หลับไอ่ะได้ไหมก็มันได้ท่านั้นแสดงว่าหมดแรงนะอถ้าไม่อยากจะหลับก็ลุกขึ้นมาเดิน น ล, <dared S 2> ล้วอย่าไปกิดข้าวหลังเที่ยงวันก็จะไม่ง่วงมันจะหิวมันจะไม่ง่วงนั่นถึงต้องซื้อสินแบกถ้าอยากจะปฏิบัติทำอยากจะนั่งสมาธิอยากจะสวดมนต์ไหว้พระนี่ต้องถือสินแบกแต่หนูเคยเจอคือว่าเขาบอกว่าทําสมาธิมันคู่กับความง่วงนอนแต่บางครั้งทำไมเราไปพอทํำสมาธิกําหนดลมหายใจ ทำไมมันหายง่วงนอนก็มันมันมันอยู่ที่เวลามีสติไม่มีสติถ้าเราไม่มีสติมันก็จะง่วงถ้ามีสติมันก็จะไม่ง่วงมีสติมันก็ไม่ง่วงอมันจะสงบเลยมันจะเตือนทำให้ยิ่งถ้านอนก็ยิ่งนอนอนไม่หลับเลยหลับถึงเวลาหลับมันหลับร่างกายมันเหนื่อยมันสติมันก็จะหมดไปเองเวลาหลับเราก็ปล่อยสติ ไม่ต้องกลัวแอ่างนี้คนเราก็นอนไม่หลับเลย่เงี้ยหลับง่ายจะตายไปเวลาหลับนี่หัวถึงหมอนก็หลับเอกลัวไม่หลับมากกว่ากลัวไม่หลับอไม่หลับหลับได้อ่ะดีกลัวไม่หลับที่ผมหลับแล้วก็ยังเดินจงกรมอยู่เลยคิดมากคิดีเย ฟุ้งซ่านไม่มีสติถ้ามีสติมันจะไม่ฟุ้งซ่านโซนนวลนี้ถือเป็นกรรมฐานอ่ะก็เป็นการฝึกสติสมาธิไม่กรรมฐานก็กรรมฐานมันมีสมถะกับวิปัสสนาแล้วที่ว่าทำมาโนสติอะไรก็สติทั้งนั้นเลยส่วนนวนนี้ก็ทำมานนสติไงมีสติอยู่กับบท กับธรรมะธรรมะก็คือบทสวดมนต์ต่างๆนี่ก็เป็นธรรมะนะแต่พุทโธนี่ง่ายสุดก็แล้วแต่บางคนก็มันง่ายแต่ยังทําไม่ได้ก็ต้องสวดไปก่อนมันไม่ยอมอยู่กับพุทโธมันอยากจะคิดนู่นคิดนี่แต่พอมันสวดมันก็ไม่ขัดเป็นมันสืธรรมะนี้ก็ไม่ใช่ทั้งหมดก็เป็นสติด้วยเป็นการฟังเทศฟังธรรมเหมือนกับฟังเทศฟังธรรมไปก็เป็นการฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญา อ่านหนังสือธรรมะแล้วใจไม่ได้พิคิดเรื่องอื่นอยู่กับหนังสือนี่มันก็เป็นสมาธิแล้วอ่านแล้วเข้าใจก็เป็นปัญญาได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญามีใครอยากจะถามอะไรไหมอ่าว่ามาจะเป็นแผนกต่างนะคะที่ทางต้นพระอาจารย์กล่าวงเรื่อ ง, อ ง, งอพอนะคะถ้าใครเห็ว่าเราทำเมื่งงานเราไปทำงาน ที่เราได้รับข้อเสนอมาเนี่ยเป็นลักษณะงงานที่ดีแต่ว่าค่าตอบแทนค่อนข้างน้อยซึ่งเราถ้าถ้าเราบอกว่าเราต้องการพอเนี่ยเราก็จะต้องเลือกลักษณะงานหรือว่าเราจะต้องมองไปที่ขออเพาะว่ามันเหมือนภาระที่ต้องดูแลครอบครัวด้วยค่ะเออมันเราหาเงินก็เพื่อมาใช่ไหมใช้กับสิ่งที่มันจําเป็นต้องใช้ถ้าเขาให้เดือนเดือนไม่พอมันก็ไม่พอใช่ไหม มันไม่ได้คาว่าพอก็คือรวดพอด้วยเห็นด้วยผลคือไม่ใช่มากเกินไปแล้วก็ น, น้อยเกินไปก็พอกับรายจ่ายถ้ามันมากกว่ารายจ่ายก็ได้แต่เราก็เอาไปทำบุญถ้ามันเหลือก็อไปทำบุญแต่เราไม่ได้คิดว่าจะเอาทำแล้วเก็บสะสมไว้เพื่อจะได้มี รำรวยจะได้ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆอันนี้ไม่ได้เป็นเป้าหมายของการหาเงินหาทองหาเงินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองก็รวเป้าหมายเป็นไร อ, อ่ปัจจัยสี่พอเพียงหรือไม่ไม่ได้หวังจะซื้อบ้านเป็นมะเข้ารหัสซื้อรถคันละหลายล้านหรืออะไรอย่างนี้ซื้อของที่มันจำเป็นแล้วก็ไม่ฟุ่มเฟือย อนอกจากเราประหยัดเรารู้จักอดออมเรารู้จักตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นไปมันก็ลดได้เช่นถ้าเราปฏิบัติทําได้เราก็ตัดรายจ่ายทางด้านบันเทิงไปได้ทีวีก็ไม่ต้องเสียค่าไม่ต้องไปซื้อแผ่นมาดูซื้ออะไรอาจจะดูของฟรีไปทํานอนนะ ถ้าดีก็ปฏิบัติทำดีกว่านั่งสมาธิดีกว่าทำใจให้สงบดีกว่าแล้วมันจะประหยัดรายจ่ายได้เยอะสำหรับตัวเราแต่ถ้าสำหรับคนอื่นที่เราต้องเลี้ยงดูก็เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เราก็เลี้ยงเขาไปตามอัธภาพคำถามจากคุณรัตนา สิ่งที่มากระทบจิตใจวันนี้เราไม่รู้สึกเดือดร้อนใจเรานิ่งไม่โกรธไม่เกลียดเขาแม้แต่เรื่องที่เขาด่าบุพการีของเราทั้งที่เราเคยช่วยทั้งเงินและแรงกายทุกเรื่องที่เขาเดือดร้อนแต่ทำไมเราสั่งน้ำตาที่ไหลไม่ได้แต่จิตมันนิ่งไม่มีอารมณ์โกรธหรือเกลียดมันเสียใจมันถึงน้ำน้ำตามันถึงไหลใช่ไหมก็ยังห้ายมยังไม่นิ่งเต็มที่ อันนีงเต็มที่มันต้องเฉยไม่มีปฏิกิริยาอะไรคำถามจากคุณจิรพัฒถ้านั่งสมาธิราวหนึ่งชั่วโมงด้วยการกำหนดลมหายใจพุดโทแล้วปรากฏว่าประมาณนาทีที่ 40-50 หเกิดสะดุ้งแขนยกขึ้นมาเองโดยไม่มีสาเหตุใดๆไม่ได้มีเรื่องตกใจใดๆสะดุ้งเองขอกราบเรียนถามว่าเกิดจากอะไรและแก้ไขอย่างไรครับ ก็จะสติมังสติมันเผลอไปใจมันก็เลยสะดุ้งขึ้นมาก็มันสะดุ้งแล้วก็ให้มีสติทําต่อไปให้รู้ว่ามันมันเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรก็เหมือนกับว่าเราอาจจะสับประหกขับรถสับประงกพอเรารู้ว่าเราสับประงกกเราก็ตั้งหน้าตั้งตาขับต่อไปนั่งภาวนาต่อไปพุดโธกับลมต่อไป ก็ไม่มีอะไรมันอไรจะเกิดบางทีมันก็มันไม่มีเหตุที่เราไปสามารถที่จะไปรู้ได้แล้วก็รู้ว่ามันเป็นการปรากฏการของเหตุการณ์หนึ่งก็แล้วกันให้รู้ว่ามันเกิดแล้วมันก็ผ่านไปเป็นอดีตไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจเราก็ทำงานของเราต่อไปถ้าเราดูลมพุทโธเราก็ดูลมพุทโธต่อไป คำถามจากทาง youtube นะครับจากคุณนิภาวันนะครับกาเปลียนถามเรื่องการออกจากสมาธิที่ถูกต้องควรกําหนดอย่างไรเจ้าคะ่ะก็เวลานั่งแล้วจิตสงบมันก็จะนั่งเฉยเฉยได้พอจิตไม่สงบมันเริ่มคิดเนี่ยมันก็อยากจะออกอยากจะออกก็ออกออกด้วยด้วยการมีสติหรือว่าถ้าอยากจะทบทวนว่าวันนี้เรานั่งแล้วผลมันเป็นอย่างนี้มันเกิดจากอะไร เกิดจากการที่เรามีสติจดจ่ออยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจถ้าเราอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้คราวหน้าเราก็ต้องทําแบบนี้แต่อย่าไปอยากให้มันเป็นโดยที่เราไม่รู้สาเหตุมันก็จะไม่เป็นคราวหน้าพอเรานั่งถ้าเราอยากให้มันเหมือนคราวนี้เราก็ต้องรู้ว่าคราวนี้มันสงบได้อย่างไรถ้าเราไม่รู้เราไปอยากให้มันเกิดโดยความอยากมันไม่เกิด แลมันจะทำให้ใจเราไม่สงบเวลานั่งข่าวหน้าก็อยากไปอยากให้ทำเหมือนกับที่เราทําแบบขา้านี้ถ้าเรามีสติอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมล้วก็ทาแบบนี้ไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบเหมือนกันก็ให้มีสติตลอดเวลาเวลาอยู่ในสมาธิก็มีสติพอจากสมาธิก็ให้มีสติต่อถ้าเราพุทโธต่อไปได้ก็พุทโธไป ถ้าเราไม่พุโทโธเราก็ต้องดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเฝ้าดูว่ามันกำลังทำอะไรอยู่อย่าปล่อยให้มันไปคิดอะไรเรื่อยเปื่อยพยายามควบคุมความคิดต่อไปคำถามจากคุณวัชรินการบนบานไว้ว่าจะทำนู่นนี่นั่นแล้วเกิดเปลี่ยนใจเช่นการบวชแล้วเกิดเปลี่ยนใจจะมีอันเป็นไปหรือไม่ได้ยินว่าการบวชอันนี้สรงแรงแล้วแก้ไขได้หรือไม่ครับ การบุญบาลก็เป็นเหมือนกับการทำสัญญาสัญญากับตัวเราเองนี่แหละไม่ได้สัญญากับใครเราแล้วถ้าเราผิดสัญญาเราก็จะเป็นคนทับหลับเป็นคนไม่มีสัจจะมันก็จะเป็นนิสัยไม่ดีต่อไปจะทาอะไรก็ทาไม่ได้หลอกตัวเองไปเรื่อยๆบอกว่าพรุ่งนี้จะไม่กินเหล้าพอถึงเวลาก็กินเหล้าอย่างนี้ต่อไปมันจะทาอะไรก็ทาไม่สาเร็จ คนที่ตั้งสัจจะว่าจะทําอะไรแล้วต้องรักษาสัจจะถึงจะสําเร็จได้เหมือนตอนที่พระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้โคนต้นโผพระพุทธเจ้าก็ตั้งสัญจะว่าถ้าเรายังไม่บรรลุเราจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไปเป็นอันขะเราจะภาวนาต่อไปแม้นขึ้นเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปเราก็จะไม่ลุกเราจะไม่หยุดเราจะไม่หยุดภาวนาจนกว่าเราจะบรรลุจนกว่า กิเลสตัณห า, ต, าต่างๆมันตายไปจากใจหมดถ้าเราไม่ตั้งสัจจะไว้เดี๋ยวพอถึงเวลานั่งไปเดี๋ยวพอมันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แล้ว อ, อยากจะไปทำนู่นทานี่มันก็ไม่สู่ต่อแล้วมันก็จะไปแต่ถ้าเราตั้งสัจจะว่าเราทำเราก็ไม่ไปเป็นตายยังไงเราก็ไม่ไปถ้าอย่างนี้เราก็มีโอกาสที่จะชนะมันได้เนการก่อนที่เราจะตั้งสัจจะเราก็ต้องดู ความสามารถของเราว่าเราสามารถทำตามที่เราตั้งใจได้หรือไม่เห็นถ้าเราทำไม่ได้ก็อย่าไปตั้งตั้งในสิ่งที่เราทำได้เช่นเรานั่งสมาธิได้ครั้งละหนึ่งชั่วโมงเราถ้าอยากจะรักษาความสามารถนี้ไว้เราก็ตั้งสัจจะไว้ว่าถ้ายังไม่ครบชั่วโมงเราก็จะไม่ลุกถ้าเราเคยนั่งมาแล้วได้เราก็ควรจะนั่งต่อไปได้ แต่ถ้าเราไม่ตั้งเราอาจจะเบื่อขึ้นมาอาจจะนั่งครึ่งชั่วโมงแล้วก็ลุกไปก็ได้แต่ถ้าเราตั้งสัจธะมันก็จะไม่ลุกมันก็จะนั่งต่อไปจนกว่ามันจะครบชั่วโมงคล้คำถามจากคุณมาิกาเวลาเราอยู่กับคนใกล้ชิดไม่เห็นด้วยกับการทำความดีของเราไม่ศรัทธานในการการะทำของเราเช่นไปสวดมนต์ที่วัดบ่อยๆวันพระใส่ชุดขาวทาบุญถวายท่าใจฟังธรรม เมื่อเดิอนที่แล้วไปทุกวันร่วมฟังธรรมและทาบุญก็หาปัจจัยเองบางคืนก็ฟังธรรมะของพระอาจารย์ถามว่าเราคิดยังไงกับเขาเราต้องคิดยังไงกับเขาคะคือ <c oughs> เราอย่าไปหวังให้เขาเห็นดี <c oughs> เห็นชอบกับการกระทาของเราเพราะความเห็นของเขากับของเรามันอาจจะแตกต่างกันได้ งั้นเราอย่าไปหวังอะไรจากเขาแล้วเราก็จะไม่เสียใจถ้าเราไปหวังว่าเขาควรจะชื่นชมยินดีกับการกระทาของเราแต่เขาอาจจะไม่ชอบก็ได้เขาก็ไม่ชื่นชมยินดีเราก็จะเสียใจได้งั้นอย่าไปหวังอย่าไปอยากได้อะไรจากเขาแล้วเราก็จะไม่เสียใจปล่อยเขาเรื่องของเขาความยินดีความชื่นชมยินดีของเขาก็ไม่ได้มาเปลีป่ยนแปลงอะไรในตัวเรา เพลงที่จะเปลี่ยนแปลงในตัวเราก็คือการทำความดีของเรานี่แหละังั้นขอเราทำความดีโดยที่ไม่ต้องไปกังวลกับความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นก็เดินใจเห็นดีเห็นชอบด้วยหรือไม่ก็เรื่องของเขาขอให้เราทำความดีไปเถอะแล้วความดีของเรามันจะทำให้เราดีขึ้นไปเองเราไม่ได้ดีด้วยความเห็นดีเห็นชอบของคนอื่นหรอกนี่มันเป็นกิเลสความอยากอยากให้คนอื่นเขาสรรเสริญเห็นดีเห็นชอบด้วย ก็ไม่เห็นดีเห็นชอบด้วยก็เสียใจฉังนั้นอย่าไปสร้างความเสียใจให้กับตนเองโดยเปล่าประโยชน์ให้เรามุ่งมั่นทําความดีของเราไปแล้วใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เรื่องของเขาเราไปห้ามขาไม่ได้คาถามจากคุณหน่ย่ยนั่งภาวนาจิตใจจะไม่ค่อยสงบจะเกิดกุศลไหมครับถ้าไม่สงบก็ยังไม่เกิดกุศลมันก็เหมือนกับไม่ได้นั่งนะ มันดีตรงที่อย่างน้อยมันมีความพยายามมีการฝึกหัดนะพยายามไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งมันก็จะสงบอย่างที่เขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นดีกว่าไม่นั่งเลยหรือก็ไม่พยายามเลยก็จะไม่มีวันสําเร็จแต่พยายามแล้วยังไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไรพยายามต่อไปเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งมันก็จะต้องสําเร็จอย่างแน่นอน ข้อที่2การสวดมนต์กุศลมากกว่าการทําบุญไหมครับคือการสวดมนต์ก็เป็นการทําบุญอย่างห네นึ่งคือคําว่าบุญนี้คงหมายถึงการให้ทานให้สละข้าวของเงินทองความสุขที่ได้จากการทําทานนี้มันน้อยกว่าความสุขที่ได้จากการรักษาศีลความสุขที่ได้จากการรักษาศีลก็น้อยกว่าความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบการสวดมนต์ก็เพื่อให้มันสงบแต่ถ้าสวดได้ยังไม่สงบก็ยังไม่ได้ความสุข มันไม่ได้อยู่ที่ว่าสวดมนต์แล้วจะได้บุญทันทีสวดมนต์แล้วมันยังอาจจะไม่ได้บุญก็ได้แต่ทําทานนี่ทำปุ๊บมันก็ได้บุญเลยยังถึงแม้จะน้อยกว่ามันก็ยังเป็นบุญมากกว่าการสวดสวดแล้วใจฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยใจไม่สงบมันก็ไม่ได้บุญถ้าอยากจะได้บุญส่วดน่าจิตมันต้องสงบเย็นสบายมีความสุขมันจะรู้เองว่าความสุขที่ได้จากอะไรนี่มันดีกว่าดีกว่าการอย่างไร เวลาเราทำบุญเราก็จะรู้ว่าเราได้ความสุขอย่างหนึ่งพอเรารักษาศีลได้เราก็จะรู้ว่าเรามีความสุขอีกอย่างแล้วเวลาเราทาใจให้สงบได้เราก็จะรู้เองว่ามันเป็นความสุขอีกอย่างที่มีน้ำหนักต่างกันไปคำถามจากคุณนโมพิจารณาอย่างไรให้จิตสงบกับคำมินพาด่าว่าหรือคำสั่งเสริญ เอาอกเอาใจเจ้าคะ่ะเราจะดับพบชาติกับบุคคลที่ไม่ทึงประสงค์อย่างไรพระเจ้าสอนว่าเราอยู่ในโลกที่มีการสรรเสริญดินทาเป็นธรรมดาเหมือนกับมีฝนตกแดดออกเป็นธรรมดาถ้าเราไปเลือกว่าจะเอาแต่สรรเสริญไม่เอานินทาเราก็จะทำใจไม่ได้เวลาที่เราเจอคํานินทาตอนนี้พวกเราไม่ชอบคํานินทากันไม่ยอมรับคํานินทากัน พอเจอคำนินทาก็เสียใจกันแต่ถ้าเรารับมันได้เหมือนกับเรารับคำสรรเสริญเราก็จะไม่เสียใจวิธีที่จะรับมันได้ก็ต้องมองว่ามันเป็นเหมือนฝนฟ้ากาฝนตบฝนตกแดดออกนี่เราดเราเรารับได้หมดใช่มะเพราะเรารู้ว่าเราเลือกไม่ได้เราสั่งเลนไม่ได้ฉะนั้ น, นการสรรเสริญ น, นินทาก็เหมือนฝนฟ้าอกะเราก็เลือกไม่ได้เหมือนกัน คนจะสรรเสริญเราก็ห้ามเขาไม่ได้คนจะนินทาเราก็ห้ามเขาไม่ได้ยั น, นหัดทาใจใช่ว่าเราต้องเจอทั้งคาสรรเสริญและนินทาเป็นธรรมดาวิธีที่จะทำให้เรารับคำนินทาได้ก็หัดด่าตัวเราเองเรื่อยๆเราไม่ชอบคำดาคำ่าคำไหนแล้วก็เอามาด่าเรื่อยๆไอ้ควายไอ้เปรตอย่างนีน้เรียกตัวเราเองอย่างน้เรื่อยๆให้มันชินหู ต่อไปใครเรียกเราไอ้ควายแล้วก็เออไม่เป็นไรเราเรียกตัวเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมก็เท่านั้นเองเรามันชอบเป็นนางงามเป็นนางจักรวาลกันนีพอใครว่าเป็นเปรตเป็นผีหน่อยก็โกรธเสียใจมันก็แค่คำพูดเท่านั้นแหะมันจะไปเปลี่ยนความจริงของเราได้ยังไงใช่ไหมถ้าเราเป็นเปรตต่อให้เขาเรียกเราเป็นนางงามจักรวาลมันก็ยังเป็นเปรตอยู่ดีนั่นแหละถ้าเราเป็นนางงามจักรวาลเขามาเรียกเป็นเปรตเราก็ยังเป็นนางงามจักรวาลอยู่ดี มันไม่ได้อยู่ที่คําพูดของคนอื่นเสียหน่อยอให้สอนใจแบบนี้ใช้เหตุใช้ผลแล้วต่อไปมันจะเฉยกับคำคำด่าคําชมชมเราแต่เราไม่ได้เป็นมันก็มันก็เท่านั้นแหละใช่ไหมเพราะว่าเราสวยแต่เราน่าเกียดจะตายไปนี้มันก็ยังดีใจใช่ปะพอเขาว่าเราสวยหน่อยมันดีใจละทั้งที่ไม่ใช่เป็นความจริงพอเราหลงเราติดกับคําสรรเสริญแล้วก็เกียดความนินทา เราต้องมาสอนใจว่ามันเป็นแค่คำพูดท่านั้นเป็นเสียงมันไม่ได้มีความเป็นจริงอะไรเลยความเป็นจริงมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วเราดีใครยัมาว่าเราไม่ดีเราก็ยังดีอยู่เราชั่วใครยมาชมว่าเราดีเราก็ยังชั่วอยู่นะเราพยายา ม, มดูตัวเราเองให้เห็นชัดว่าเราดีหรือไม่ดีเราเป็นควายหรือเปล่าเวลาเ็าเรียกเราควายเรามีเขาหรือเปล่ามีหางหรือเปล่า จะใเราห้ามเขาไม่ได้เราห้ามฝนพาลองได้ไหมเมื่อกี้ฟ้าลองเปียงๆย่างนี้ไปห้ามมันได้ไหมก็ปล่อยมันร้องไปสิมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราก็คือการทําใจให้เฉยๆถ้เฉยได้ก็ต้องมีสติถ้าใจมันเริ่มมีอาการก็พุทธโธพุทธโธไปเลยเวลาใครด่าเราใครพูดอะไรเราใจสัน่นใจไม่สบายแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปสนใจกับคำพูดของเขา เดี๋ยวพอเราลืมคําพูดของเขาใจเราก็กลับมาเป็นปกติเพะนั้นหัดฝึกสติไว้ให้มากๆแล้วสติจะช่วยเราได้ในทุกกรณีเวลาโกรธก็ทำให้ใจเราหายโกรธได้เวลาเสียใจก็ทำให้เราหายเสียใจได้ถ้าเรามีพุทโธเวลากลัวก็ทำให้เราหายกลัวได้ถ้าเรามีพุทโธเรฉะั้นพยายามหัดพุทโธไว้พุทโธนี้เป็นเหมือนยาหมองใช้ได้ทุกโลกเป็นแผล สัตว์ัดต่อยเป็นอะไรก็ะทามันเลยปวดหัวปวดขมับก็ามาทาที่ขมับเดี๋ยวก็หายปวดพยายามัดท่องพุทโธพุทโธไว้หมดมแล้วเหร อ, อาคาถามสุดท้ายค่ะอ่สุดท้ายคําถามข้อสุดท้ายจากคุณอมการที่จิตเบากายเบาแล้วทําอย่างไรต่อคะก็รักษามันสิให้มันเบาให้มันสบายไปเรื่อยๆอย่าไปให้มันหนักถ้ามันหนักเมื่อไหร่ก็ทําให้มันเบา ที่หนักเขาเกิดจากกิเลสเกิดจากความอยากอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เลยทำให้เราหนักอกหนักใจขึ้นมาแต่พอเราไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นนี้เราใจเราก็เบาขึ้นมาหัดปล่อยวางอยู่เรื่อยๆอยากไปอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของเขาถ้าเราสอนบอกเขาได้ก็สอนไปบอกไปเท่านั้นเองเขาจะทาตามเราหรือไม่เราไปห้ามก็ไม่ได้ไปบังคับก็ไม่ได้หมดแล้วนะ ภาคต่อไปเป็นภาษาอังกฤษแล้วมีแถวต่างประเทศที่เขาติดตามทาง y o ยูทูบทางอะไรเขาก็จะส่งคําถามมาทางอ e ีเมลแล้วเขาก็จะรอให้เราตอบทาง youtube ทางเฟซบุ o กนี่แ้วเดี๋ยวเขาก็จะเข้าไปฟังกันเหตนี้นถ้าใครอยากจะอยู่ฟังต่อก็อยู่นะแต่เป็นภาษาอังกฤษแล้วะถ้าใครฟังไม่รู้เรื่องอยากจะกลับก็กลับได้ให้เวลาตัดสินใจ